กันณกัตทะละสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบนกันณกัดท ะ, ะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบนกันณกัดท ะ, ะเป็นที่ให้อภัยหมู่เนื้อใกล้นครชื่ออุทัญยาสมัยนั้นแลพระเจ้าประสิธิโศนสเสด็จไปยังอุทัญยานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่าง ได้รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระยุคนรบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพ ค, ความมีพระโรคาพาทน้อยกระปี้กระเป่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญตามคําของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าเะเสนที่โกศลขอถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพ ค, ความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระปรา่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สาราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าวันนี้พระเจ้าปเปเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้ว ภายหลังเวลาพระกระยาหารจากเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดารัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าปเปเสนที่โกศลขอถวายอภิวาทพระยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว ทรงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเปเ่ามีพระพราณาไมสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าวันนี้พระเจ้าปรเสนทิโกสนเสวยพระกรยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกรยาหารจกเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะ พระพักกินีทรงพระนามว่าโสมาและพระพักกินีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกรยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกรยาหารจากเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นพระพักกินีโสมาและพระพักกินีสกุลา จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลในที่สเสวยพระกรยาหารแล้วเดียกลาบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงทรงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจงทรงถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเพ่ามีพระพารามัยสมบูรณ์อยู่สาราณตามคาของหม่อมฉันทั้งสองว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพัินีโสมาและพระพัินีสกุลาขอถวายอภิวาทพระยุ ค, คลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเปา่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเพคะ เจ้าเปเสนที่โคศนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้าเปเสนที่โคศนเสวยพระกริยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกริยาหารเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภคินีโสมาและพระพคินีสกุลา ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาดน้อยกระปรีก้กระเปร่ามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิษพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือ พระเจ้าประสิทธุโกศลทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพคินีโสมาและพระพคินีสกุลาได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกรยาหารจักมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระพคินีโสมาและพระภคินีสกุลา ได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วรับสั่งว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ทรงถวายอภิวาสพระยุคลบารของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวขอจงทูล ถ, ถามถึงพระสุขภาพ ค, ความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรีกก้กระเปร่ามีพระพลนนายสมบูรณ์อยู่สําราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่า พระภักกินีโสมาและพระภักกินีสกุลาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษขอพระภักกินีโสมาและพระภักกินีสกุลา จงทรงพระสําราญเถิดลำดับนั้นพระเจ้าประส e ที่โอสนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันได้สะดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมู้เป็นสัพพันยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปติญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมผู้เป็นสัพพันยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปติญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่า กล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คํากล่าวเช่นนั้นและคําที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาะพิษชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมู้เป็นสัพพันยูมีปกติเห็นธรรม ท, ทังปวง จากปฏิญญาญาณทศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อัตมภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตู่อัตมภาพด้วยคำเท็จขอถวายพระพรครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิทูธพะมาตรัสว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชวัง วิทูธพระเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหม์ชื่อสัญชัยอากาศะโคดกล่าวพระเจ้าค่าจากนั้นพระเจ้าประเสิทธิโคศลรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพยยอดชายเธอจงไปเชิญพราหม์สัญชัยอากาศะโคด ต, ตามคำของเราว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งเรียกท่าน บุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วได้เข้าไปหาพราหมณ์สันชัยอากาศะโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพราหมณ์สันชัยอากาศะโคตว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าระเสนทิโคศนตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโคสนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระดำรั์อย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรั์ไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรั์ที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระพุทธเจ้าคะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิธอาตามภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคาที่กล่าวไว้แลอย่างนี้ว่า ไม่มีสมณะหรือพรามผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าประสิทีิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตราสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตราสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพรามผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ วันณะสี่จำพวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสี่จำพวกนี้คือหนึ่งกริย์ตสองพราหมณ์มแพทยสี่สูตรวันณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปกแตกต่างกันบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษวันณะสี่จำพวกนี้คือหนึ่งกริย์ตสองพราหมสามแพทย์ สี่สูตรบรรดาวันณะสี่จำพวกนี้วันณะสองจำพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์อาตมภาพกล่าวว่าเป็นผู้เลิศเคอเป็นที่ไหวเป็นที่ลุกรับเป็นที่กราบไหวเป็นที่กระทําสามีจิกรรมขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หมอมชันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหมอมชันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมป라ยภพกับพระผู้มีพระภาคต่างหากวันนะสีจ่จำพวกนี้คือหนึ่งกษัตริย์สองพราหมณ์สามแพทย์สี่สูตรวันนะสีจจำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้า ของภิกษุผู้บําเพ็ญเพียรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษองค์ของภิกษุผู้บําเพ็ญเพียรมีหประการนี้องค์ของภิกษุผู้บําเพ็ญเพียรหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสรทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค2เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาส์น้อยประกอบด้วยไฟ่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรสเป็นผู้ไม่อ้อวดไม่มีมารยาทําตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดา ห, หรือในเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอธทุระในคุณสรธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาบพิษองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรหประการนี้แลวันณะสี่จำพวกนี้คือหนึ่งกษัตริย์สองพราหมณ์สามแพทย์สสูตร ถ้าวันณะสีจ่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรหประการนี้ข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่วันณะสีจจำพวกตลอดกาลนานขอถวายพระพรพระเจ้าปเปเสนทิโกสนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสีจ่จำพวกนี้คือหนึ่งกษัตริย์สองพราหมณ์สามแพทย สสูตรถ้าวันละสี่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ในข้อนี้วันณะสี่จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแผกแตกต่างกันเล่าพระพุทธเจ้าข้ามหาปภิษในข้อนี้อาตามาภาพกล่าวถึงวันณะทั้งสี่จำพวกมีความแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนําดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่งคือช่างที่ควรฝึกก็ตามม้าที่ควรฝึกก็ตามโคที่ควรฝึกก็ตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนํามหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรสัตว์คู่หนึ่งเป็นช่างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม เป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนําดีแล้วสัตว์คู่หนึ่งที่ฝึกแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วมิใช่หรือขอถวายพระพรใช่พระพุทธเจ้าค่ะมหาบาพิษสัตว์คู่หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาไม่ได้ฝึก ไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างไหมขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกโศนกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษอย่างนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่อิทธิผลใดอันบุคคลผู้มีศรัท ธ, ธามีอาพาธน้อยไม่โอโอดไม่มีมารยาปรารพความเพียนมีปัญญาพึงถึงอิทธิผลนั้นบุคคลผู้ไม่มีศรัท ธ, ธามีอาพาธมากโอโอดมีมารยาเกียรติคร้านมีปัญญาซามจักถึงได้ ขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกสลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีประภาคได้ตรัสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสภาพที่เป็นผลว่าวันณะสี่จำพวกนี้คือหนึ่งกษัตริย์สองพราหมณ์สามแพทย์สี่สูตรถ้าวรนละสี่จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ และมีความเพียรเหมือนกันในข้อนี้วันณะสีจำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระพุทธเจ้าคะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิษในข้อนี้อาตมาภาพกล่าวว่าวันณะสีจำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตต์ไม่แตกต่างกัน เปรียบเหมือนบุรุษผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกพโพล่ขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อไฟให้ลุกพโพล่ขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกพโพล่ขึ้นมาหาบพิษพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร เปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นมาจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างไหมขอถวายพระพรไม่มีความแตกต่างกันเลยพระพุทธเจ้าค่ะอย่างนั้นเหมือนกันมหาปิฏเดชอันใดถูกความเพียรย่ํำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียนในเดชนั้นอาตมาภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือ วิมุตต์กับวิมุตต์ไม่แตกต่างกันขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคตรัสถภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพอันเป็นผลเทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ามหาอภิภิษเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ว่าเทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่าพระเจ้าประเสิทธิโคศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทวดามีจริง เทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบาพิษเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไมมาสู่โลกนี้ขอถวายพระพร ว่าทัพระอานนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูธพระเสนาบดีเด้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่านั้นจากยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ไม่มาสู่โลกนี้ให้จุติหรือจกขับไล่เสียจากที่นั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้น ท่านพระอานนุนได้คิดว่าวิทูธพะเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศนเราเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัตรนี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะพึงปรึกษากันลำดับนั้นท่านพระอาห น, นุนจึงกล่าวกับวิทูธพะเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้ อาตามภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านพึงต่อปัญหาตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าปเสนทิโคศนมีประมาณเท่าใดและในพระราชอาณาจักรใดพระเจ้าประเสนที่โคศลครองราชเป็นอิสราธิปดีในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าวเถอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศจากที่นั้นได้ไมิใช่หรือวิทูทภะเสนาบดีตอบว่าพระคุณเจ้าพระราชาณาจักรของพระเจ้าประสิทธิโคสลนมีประมาณเท่าใดและในพระราชาณาจักรใดพระเจ้าประสิทธิโคสนครองราชเป็นอิสราธิปดีในพระราชาณาจักรนั้นเท้าเธอ ย่อมทรงสามารถยังสมณะหรือพรามผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงในประเทศเสียจากที่นั้นได้เสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรที่อันมิใช่พระราชณ า, าจักรของพระเจ้าระเนสนธิโคลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าระเนสนธิโคสล มิได้ครองราชเป็นอิสราธิปดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงในประเทศเสียจากที่นั้นได้หรือเพราะขุณเจ้าที่อันมิใช่พระราชนาจกของพระเจ้าเปรตทธิโกศลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าเปรตทธิโกศล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 ยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวเดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าประเเสนทิโกศนก็ทรงสดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวเดึงมาแล้วเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าประเเสนทิโกศลจะทรงสามารถอย่างเทพชั้นดาวเดึงให้เคลื่อนหรือทรงในประเทศไปเสียจากที่นั้นได้ไหมวิทูทภะเสนาบดีตอบว่าพระคุณเจ้า พระเจ้าประส enti โกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นเดวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าเสนาบดีอย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดมีความเบียดเบียนมาสู่โลกนี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ไม่มาสู่โลกนี้ ที่ไหนเล่าจะให้เคลื่อนหรือในประเทศไปเสียจากที่นั้นได้ครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออานน์ขอถวายพระพรพระเจ้าปเปเสนทิโกศนทูลถามว่า พระคุณเจ้าอานนรูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอาณนล์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิษเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ว่าพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าข่าเล่ามหาบพิษ พระเจ้าเปเสนทิโกศสนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพรหมมีจริงพรหมนั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปพิธพรหมใดมีความเบียดเบียนพรหมนั้นมาสู่โลกนี้พรหมใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมนั้นก็ไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพร ลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าเปเสนทิโกศนว่าขอเดชะพรามสัญชยัยอากาศโคธมาแล้วพระเจ้าค่ะต่อมาพระเจ้าเปเสนทิโกศนจึงตรัสถามพรามสัญชยัยอากาศโคธว่าพรามใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ภายในพระราชวังพรามสัญชยัยอากาศโคธกราบทูลว่าขอเดชะ วิทูธภะเสนาบดีพระเจ้าค่ะวิทูธภะเสนาบดีกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชพรามณสันชัยอากาศโคดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าประเสนทิโกศนว่าขอเดชะบัดนี้ยานพาณพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะ เจ้าปเสนทีโกศนทรงชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทีโกศนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญยูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญยูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนัก และหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวันณะสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวันณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนับและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่ง พระผู assault, the ้มีพระภาคก็ทรงตอบเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหมอมฉันชอบใจและถูกใจนักและหมอมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหมอมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงพรมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบพรมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหมอมฉันชอบใจและถูกใจนักและหมอมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่ง หม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นๆข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหาะพิตรขอพระองค์จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโคสนทรงชื่นชมยินดีพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจึงเสด็จจากไปดังนี้แลกันนะกัฏทะสูที่สิบจบ ราชวัคที่4จบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในวัค์นี้คือ 1. คติคาระสูตร 2. รัฐปาละสูตร 3. มัคเทวะสูตร 4. มทุระสูตร 5. โพธิราชากุมารสูตร 6. อังคุลิมาลสูตร 7. ปิยชาติกสูตร 8. พาหิติกสูตร 9. ธรรมเจติยสูตร 10. กันนะกัตทละสูตร นวักหมวดว่าด้วยพรามหมณ์ 1. พรมมายุสูตรว่าด้วยพรามชื่อพรมมายุข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจารึกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0รอรูปสมัยนั้นแลพรามชื่อพรมมายุอาศัยอยู่ในครุงมิถิลา เป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุถึงร2 0ยสิปีนับแต่เกิดรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสต์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยยกรชำนาญโลกายาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษพรห ม, มายุพรามได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่าพระสมณะโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จออกพนวจากสักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นวิเทหะพร้อมกับพิสุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ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 อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยายกรชำนาญโลกายะตะาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเวลานั้นพรหมายุพรามเรียกอุตรมามนกมากล่าวว่าพ่ออุตระท่านพระสมณะโคโดมพระองค์นี้เป็นศักยะุตรเสด็จออกผนวจากศักยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500อรูป ท่พระโคดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบละถึงการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงมาเถิดพ่ออุตระเธอจงเข้าไปเฝ้าท่านพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วจงรู้จักพระสมณโคดมให้ได้พวกเราจะได้รู้จักพระองค์ว่า กิติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อุตระมาโนปเรียนถามว่าท่านขอรับทำอย่างไรผมจึงจะรู้จักท่านพระโคดมว่ากิติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พร ม, มรายุพราหมณ์ตอบว่าพ่ออุตระ พระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษส2สองประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วรัตนะเจ็ดประการคือ 1. จากแก้วสองช้างแก้วสา ม, มา้าแก้วสี่มณีแก้วห้านางแก้วหข้าบาดีแก้วเจปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญยาหรือศัตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปพนวดเป็นบนรรปะชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกพ่ออุตระเราเป็นผู้ให้มนแต่เธอเป็นผู้รับมนอุตระมานพรับคำแล้วลุกจากที่นั่งไหวพรห ม, มยุพรามกระทําประทักษิณ แล้วหลีกจารึกไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในแคว้นวิเทหะเที่ยวจารึกไปโดยลำดับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษส2ิบสองประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคก็เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการโดยมาก เว้นอยู่สองประการคือ 1. พระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาใหญ่จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อและไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษทั้งสองประการนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่าลักษณะ32ประการของเราอุตรมานบนี้เห็นโดยมากเว้นอยู่สองประการคือ 1. คุยหะฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. ชิวหาใหญ่จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อและไม่เลื่อมใสลักษณะมหาบุรุษทั้งสองประการนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบรันรดาลอิทธาพิสังขารให้อุตรมานกได้เห็นพระคุยหะฐานอันเร้นอยู่ในฝักและทรงแลกพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปกลับมา ทรงสอดเข้าไปในช่องพระนาศิกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลพระนาราศเวลานั้นอุตรมานบได้มีความคิดว่าพระสมณะโคโดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษสยสองประการทางที่ดีเราพึงติดตามพระสมณะโคโดมดูพระอิริยาบทของพระองค์ต่อไป จากนั้นอุตรมานบได้ติดตามพระผู้มีพระภาคตลอดเจดเดือนดุจพระฉายาเงาติดตามพระองค์ไปฉะนั้น